ข้ามไปถึงตรงนี้อันข้ามไปถึงที่สุดแห่งทุกข์คือมันยังมีความรู้สึกที่โ ง, งนรักษาตัวเองเวลาใจเราเนี่ยเข้าไปเกาะเกี่ยวผัวพันธห่วงลูกห่วงสามีเราก็จะคอยรู้ท่าทันที่จะต้องจิตออกนอก ให้มันกลับมาอยู่กับตัวเราเองแล้วเราก็จะคอยเตือนตัวเองว่าไม่ให้ส่งจิตออกนอกไปหาลูกไปหาสามีเออแล้วเราก็เออตอนนี้เรารู้ชัดเจนดีมากเลยจิตใจเราดีมากขึ้นมีความสงบมากขึ้นไม่ส่งออกไปเป็นทุกข์กับลูกเป็นทุกข์กับสามีแล้วก็เราก็ไม่เป็นทุกข์กับตัวเองมากขึ้นเราเริ่มปล่อยวางได้มากขึ้น น, นี่ก็ถูกต้องถูกต้องแต่มันยังไม่พ้นทุกข์ มันจะพ้นทุกได้มันจะต้องมาเห็นอีกทีอย่าละความรู้ความรู้ที่มันมารู้ยุ่งวุ่นวายอยู่ในตัวเองมันรู้ยุ่งวุ่นวายในตัวเองเออเออตอนนี้เราส่งออกไปหาลูกไปหาสามีไปยุ่งวุ่นวายเขาเออตอนนี้เราเราไม่ไปยุ่งเราไม่วุ่นวายตอนนี้เราเข้าใจมากขึ้น เราเข้าใจมากขึ้นเรารู้มากขึ้นเราละได้มากขึ้นเราปล่อยวางได้มากขึ้นแต่ที่สุดละเราก็ยังมาหมกมุ่นกับตัวเองกันแหละเราก็ยังมาหมกมุ่นกับตัวเองอ่ะตรงเนี้ยเราต้องเห็นตรงนี้ทีว่าทุกท้ายเราคือหมกมุ่นกับตัวเองน่ะเออถึงนีเราปล่อยวางได้มากขึ้นเราเลิกต้งจิตดอกนอกมากขึ้นเรามีความสุขมากขึ้นเรามีความสงบมากขึ้นเราเราเราเราเราเราเราเราแต่ความจริงก็คือยังหมกมุ่นกับตัวเองอ่ะคือ อยากให้เติเงมีความสุขอยากให้เติงมีความสุขแล้วก็เห็นว่าเออเราเราเราเร า, เราพ้นทุกข์ได้มากขึ้นแล้วแต่ก็คือมติดติเ ร, เ, รเราอยากให้เรามีความสุขถ้าเรายังอยากให้เรามีความสุขอ่ะมันจะเป็นทุกข์อยู่เพราะว่าเราต้องคอยระวังรักษาตัวเราเองเราต้องเห็นอีกทีเองไม่เห็นเนี่ยเรายังหมกมุ่นอยู่กับตัวเราเอง มันยังมีความคิดความปรุงแต่งเป็นเราเราเราเราเราขึ้นมาเนี่อยู่ในปัจจุบันเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาหนะ้าแต่เห็นเขาว่าเขาเป็นสัขารปรุงแต่งเขาเป็นความคิดปรุงแต่งมันเป็นขันหา้าเป็นความปรุงแต่งเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นสิ่งที่อันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นแล้วเขาก็ดับไปเมื่อแล้วหายไปไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงมันเป็นความปรุงแต่ง ก็ไม่เห็นเนี่ยทุกขณะปัจจุบันที่มันปรุงปรุงเกี่ยวกับเรื่องตัวเราเออตัวเราดีขึ้นตัวเราสงบขึ้นตัวเรารู้แจ้งมากขึ้นตัวเราเข้าใจมากขึ้นตัวเนี้ยเราเห็นว่าทุกครั้งขณะที่มันปรุงขึ้นมามันเป็นความปรุงแต่งเป็นความคิดปรุงแต่งใจก็รู้ได้ความปล่อยวางรับรู้ความปรุงแต่งได้ความปล่อยวางก็จะถึงซึ่งใจซึ่งในความสงบมีความไม่ปรุงแต่งมีความเยือกเย็น มันนบเอาเมล็ดอยู่ภายในใจไม่มีความรู้สึกปรุงแต่งเกี่ยวกับตัวเราเองรักษาตัวเราเองรักษาใจของเจ้าของแล้วก็ไม่ได้ไปคิดว่าอาตัวนี้ส่งอีกแล้วอันนี้ไม่ส่งอีกแล้วตัวนี้เราปรุงแต่งอีกแล้วตัวนี้เราโอ้เราดีขึ้นตอนนี้เราปรุงแต่งไม่ลงตัวนี้เราเป็ความสุขมากขึ้นอ๋อตัวนี้เราปรุงแต่งอีกแล้แลวเราเห็นว่าความคิดเหล่านี้ยแม้มันจะคิดมันก็ไร้สาระไม่ใช่เป็นเราเราไม่ได้ไปทําอะไรเขาเลยไม่ต้องไปจัดการเขา แต่เราเห็นว really ่าความคิดเหล่านี้มันไร้สาระเพราะมันเป็นความปรุงแต่งเหติไร้สาระคือมันไม่มีสาระแก่นสารมันเป็นความปรุงแต่งเป็นความคิดปรุงแต่งไม่มีสาระแก่นสารก็ปรุงแต่งมันไปอย่างนั้นแหละเกิดๆดับๆมันไปไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเราแท้จริงเป็นใจจากที่ไม่ปรุงแต่งเป็นวิสังขารเป็นวิสังขารเป็นอสังขาตถาทัที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งเขาได้และเขาเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเป็นใจที่ เป็นธรรมชาติที่เป็นความสงบเป็นความเยือกเย็นเป็นความสุขเป็นความไม่มีสุขไม่มีทุกข์แต่เป็นความสุขที่ปราศจากทุกข์ปราศจากทั้งสุขและทุกข์ในนั้นความทุกข์มีอยู่แต่ใจไม่ทุกข์ความทุกข์มีอยู่นะแต่ใจไม่ทุกข์เราจะถึงตรงนี้ได้อย่างไรจะถึงตรงนี้ได้ก็คือไม่เข้าไปโหยหาความสุขและเกียดทุกข์ ไม่เข้าไปหวยหาความสุขและเกลียดทุกข์ไม่เข้าไปโหยหาจิตที่ดีและเกียดจิตไม่ดีไม่เป็เลงเกียดจิตส่งออกแล้วก็ไม่เข้าไปยึดถือจิตไม่ส่งออกเพราะพยายามไปรักษาจิตไม่ส่งออกลังเกียจจิตส่งออกก็เหมือนไม่เป็นส่งออกแล้วแต่เราไปยึดถือจิตที่ไม่ส่งออกพยายามรักษาจิตที่ไม่ส่งออกแล้วก็พึงพอใจชอบใจกับจิตที่ไม่ส่งออกอันนี้มันโหยหามันยึดถือ จิตใจมันยังมีความเล่าร้อนยังมีการกระเพื่อมมีการไหวตัวยังมีความยึดถือยังมีความยึดมั่นถือมั่นยังมีการค้าให้ค่าเข้าไปให้ค่ายความตํางการมันจึงไม่เป็นไม่เป็นความสงบระงับโดยธรรมชาติของเขาเองเป็นใจที่เป็นธรรมชาติแท้ๆเป็นธรรมชาติของจิตดังเดิมแต่แท้ที่เคลื่อนไหวไม่ได้กระเพื่อมไม่ได้ปูุงแต่งไม่ได้แต่งกิริยาการใดๆไม่ได้มีความไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีความผองสายไม่มีความเศร้าหมองในนั้นความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีใครไปยึดถือความทุกข์ ใจกันเลยก็ไม่ทุกข์ไม่ใช่ว่าพยายามหนีทุกข์ไปหาสุขเราพยายามหนีทุกข์ไปหาสุขอยู่มันทุกข์เพราะมันหนีทุกข์ไม่ได้ตะถีมันเลยทุกข์มากเลยครับแข่งตอนนี้มันเลยทนทุกข์ไม่ได้มันเลยน้ำตาไหลออกต่าง่ายเพราะว่ามันยึดสุขไว้และเกลียดทุกข์ไว้พร้อมกัน มันเลยพยายามที่จะห น, นีจากทุกไปหาสุขมันยึดยึดทั้งยึดทั้งทุกยึดทั้งสุขคือหลังเกียรติทุกและวจะสุกก็คืออยากได้สุขมันก็เลยทุกจริงจริงทุ ก, กความทุกจริงจริงตอนนี้ตกเขาจริงจริงมีตัวมีตนจริงๆแต่ถ้ามันทุกอยู่ไม่มีใครยึดทุกใจมัก็ว่างเปล่าเพราะธรรมชาติมันว่างเปล่าจากความยึดมัน่นถือมันโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าอ ใจว่างเปล่าคือไปรู้สึกว่างอยู่เฉยๆไม่ใช่คือเข้าใจว่าใจที่มันว่างที่มีความรู้สึกว่างมไม่ใช่นั้นนะไม่ใช่ใจที่มีความรู้สึกว่างใจที่ว่างจากผู้ยึดมั่นถือมั่นใจที่ว่างจากสิ้นสู้ยึดมั่นถือมั่นไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นไม่มีความรู้สึกของความยึดมั่นถือมั่นไม่มีใจที่เป็นให้ค่าให้ความสําคัญในความสำคัญมั่นหมา ย, ายกับสิ่งใดเลย ไม่ว่าจะว่างหรือไม่ว่างไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ไม่เข้าไปให้ค่าความสําพัญธ์มั่นหมายไม่ลังเกียจทุกข์ไปหาไม่ไม่ยึดสุขไม่ไปให้ค่าความสําคัญกับความสุขไม่ไปลังเกียจทุกข์แล้วไม่ไปให้ค่าความสําพัญธ์มั่นหมายกับความไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยซ้ำไปแม้แต่ความไม่ยึดมั่นถือบ้านก็ไม่ไปให้ค่าความสัมพันกับความไม่ยึดมั่นถือมั่นใจมันจึงปราศจากความยึดมั่นถือมั่นที่แท้จริงจึงเป็นความบริสุทธิ์แท้ๆของธรรมชาติของใจแท้ไมม่่่ใชคววาารู้สึกง คือใจที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นที่แท้จริงไม่ใช่ไปยึดถือใจที่ว่างที่หลายคนปฏิบัติเกือบครึ่งหนึ่งที่มาหาเราเนี่ยล้วนแต่เป็นใจที่ยึดถืออันนี้เป็นเป็นความไม่บริสุทธิ์มีกิเลสมันมีกิเลสมีทันหาอยากให้ว่างอยากให้สุขอยากให้ทุกข์ไม่มีอยากให้ไม่ส่งออกอยากให้มันอยู่สงบนิ่งอยู่อย่างนี้ ต้องมีปัญญาขั้นสูงสุดพุทธศาสนาคือต้องเข้าถึงปัญญาอันสูงสุดาเราก็อีกอันหนึ่งที่หลงตาให้ไปพิจารณาอสุภกรรมฐานนะคะหนูก็ไปปฏิบตัติแต่ว่ามันก็จะเจอปัญหาว่าตอนที่เราทำงานหรือขับรถเรา คือคือจะรู้สึกว่ามันคือรู้สึกว่ามันมีปัญหาในการพิจารณาคือถ้าสมมติว่านั่งสมาธิเนี่ยเราพิจารณาอสุภะกรรมฐานเนี่ยมันก็ไปได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราจะต้องดำเนินในชีวิตประจำวันด้วยอะค่ะมันมันเหมือนมันเป็นอุปสรรคเราก็รู้สึกมันทำมันมันทายากหนูก็จะเลยทาให เรียกไปพิจารณาจิตแทนก็เลยไม่รู้ว่ามันจะทําให้กลายเป็นวนไปวนมาว่าเดียยเด๋ยวกายเดี๋ยวจิตเดี๋ยวกายเดี๋ยวจิตหรือเปล่าอค่ะหาลวงตาแต่อบอกก็ฟังหลวงตาพูดวันเนี้ยชัดชัดเจนในใจแล้วก็แน่วแน่ว่วววามั่นคงว่าความพ้นทุกตรงนี้เลยพ้นทุกพ้นทุกตรงนี้เอาตรงนี้เลยแล้วไม่คาดเคลื่อนเลยจะ ก, กลับไปหยอบ ก, กลับมาจากปัญญาขั้นสูงสุดตรงเนี้ย กัดติดจจอจดจ่กัดติดรงปัญญาขันสมสูตที่ฟังวันเนี้ยไม่ไปคาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องวิธีการปฏิบัติอะไรเลยวิธีการปฏิบัติทั้งหมดเพื่อความปล่อยวางวิธีการปฏิบัติทั้งหมดเพื่อความปล่อยวางแต่เราไปติดวิธีปฏิบัติซะแล้วที่พูดทั้งหมดเนี่ยที่หลตาพูดในวันเนี้ตั้งแต่เช้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องวิธีปฏิบัติใดๆเลยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดูกายดูจิตอะไรเลยมันพ้นจากสภาพการดูกายดูจิตไปสู่จิตที่สิ้นความยึดมั่นถือมั่น โมฆราชเธอจงมองดูโลกนี้เป็นของว่างเปล่าสิ้นความยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราไม่มีสาระแก่นสารให้ยึดมั่นถือมั่นโลกก็คือโลกทั้งหมดคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสิ่งใดที่อยู่นอกร่างกายทั้งหมดเป็นโลกโลกไม่ถึงร่างกายเราขันธ์หนาเวทนาสัญญาสังขารลูกเวทนาสัญญาสังขารมิาะเป็นโลกเป็นโลก โลกทั้งหลายเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นความไม่เที่ยงเป็นอิจฉาทุกข์งอนัตตาไม่มีสาระแก่นสารใดๆให้ยึดมั่นถือมัน่นไม่ควรแก้สาระแก่นสารที่ให้ยึดมั่นถือมั่นได้เธอจึงสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นในโลกทั้งมวลโมคราชก็บรรล้อรหัที่พูดในวันนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยคือเข้าถึงปัญญาขั้นสูงสุดคือสิ้นความยึดมั่นถือมัน่นมันจึงเหนือกว่า คนจากรูปแบบใดๆทั้งหมดไม่เรียกว่ารูปแบบใดๆในวิธีการปฏิบัติใดๆเลยเข้าใจตรงนี้ไหมล่ะถ้าเข้าใจตรงนี้ก็กัดติดจดจ่อตรงนี้เลยชัดหรื อ, อยังว่าตอนเนี้ยจะมีปัญญาอย่างไรที่จะบรรทุกด้วยปัญญาอย่างไรปลปล่อยวางตัวตนแล้วก็ปล่อยวางทุกขณะจิตในปัจจุบันที่ที่ที่ที่เจออยู่ค่ะ ยังผิดอยู่ยังผิดคือคือเอาตัวเราไปพยายามหาหนทางหนูก็ใจหนทางแล้วแล้วก็แล้วก็กใจแหละเดี๋ยวดูจะเอาตัวหนูไปหาหนทางให้ตัวหนูพ้นทุกข์มันก็กลายเป็นสังขารนะตวเ น, นี้ลงมาเป็นสังขารพุ่งแต่ เ, เข้าใจไหมเนี่ยเมื่อเข้าใจปัญญาขั้นสูงสุดอันนี้แล้วคือก็ต้องสังขารทั้งมวลไม่เคยมีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสังขารทุกขนาจิตปัจจุบันสังขารจิตจิตจสังขารทุกขณะจิตปัจจุบันนี้ไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเลยปล่อยวางสังขารในปัจจุบันทั้งหมดไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปเป็นตัวสังขารเอาตัวสังขารมาเป็นตัวเราเดี๋ยวพยายามเดี๋ยวเข้าใจแล้วเดี๋ยวหนู เดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวหนูจะเดี๋ยวหนูจะจะเป็นต้องทำนี้เดี๋ยวหนูจะทําอย่างนั้นเดี๋ยวรู้กลับไปหนูต้ต้องทําอย่างนี้เลยเดี๋ยวหนูกลับไปหนูต้องพยายามปล่อยวางพยายามรู้ละปล่อยวางก็ตนหนูก็เข้าใจปัญญาขั้นสูงสุดตรงนี้เข้าใจปัญญาขั้นสูงสุดตรงนี้แล้วแต่หนูก็กลายเป็นไปเป็นสังขารหนูจกเดี๋ยวดูเข้าใจแล้วหูจพยายามปล่อยวางตรงนี้เลยเดี๋ยวรู้จะกลับไปเป็นพยายามปล่อยวางเอาท้าไปเป็นพยายามปล่อยวางพยายามไปเป็นสังขารอย่างนั้นสังขารอย่างนี้หนูก็กลายเป็นสังขารตลอดเวลาเลยอย่างเนีี้้้้้ยยไไไไมมมมมม่่่่ดดสสสสิินนนนนนัััังงขขขาาาารควือใใเเจ ไหนที่ทวนหน่อยด้เข้าใจจริงกัเปล่าเ ข, เข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือหนูปรุงว่าเรามีตัวตนแล้วเราก็พยายามที่จะให้หาทางให้ตัวเราพ้นทุกหาทางที่จะปล่อยวางความรู้สึกตัวเองไม่ส่งจิตออกนอกคือหาดินลนค้นหาวิถีทางที่เพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยพน้นพ้นทุกพ้นจากสภาวะตรงนี้ แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเราไม่มีตัวตนสังขารก็เป็นเรื่องของสังขารของมันไม่มีตัวเราค่ะตรงนี้สำคัญมากเลยถ้าถึงตรงนี้แล้วต้องกัดติดจอดจ่อตรงนี้เลยอย่าพลาดเผลอไปแล้วก็เพียงแค่เผลอไผยแค่นั้นเองเผลอไผยไปเป็นสังขารเพียงแค่เผลอไผยเท่านั้นเองนะแล้วก็รู้ตัวขึ้นมาซะ ตรงนี้ที่เราพูดเมื่อกี้จะพ้นทุกข์พ้นทุกข์ได้ตรงนี้เลยจำไว้มั่นคงนะตรงเนี้ยออืทบทวนก็ได้หมอหมอหมอตุลย์ชัยก็ย๋องทบทวนทบทวนเนี่ยฟังจากหลายคนแล้วเนี่ยมันชัดเจน <c oughs> ยังไงสรุปไปฟังดิชัดเจนในจิตยังไงสรุปดิเดี๋ยวทุกคนเนี่ยที่อยู่ในโลกก็ต้องสรุป ไม่มีผู้เดินทางไม่มีใครที่จะปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ส่วนตัวผมที่ชอบหลงและเผลอไปในส่วนตัวก็คือว่ามีตัวเองไปเดินทางมีตัวเองไปไป แอบพาตัวเองไปเพื่อให้ตัวเองนั้นพ้นทุกข์กำลังจะพูดอยู่ตรงนี้พอดีเลยเมื่อหมอหลงอยู่ตรงเนี้ยครับแล้วทําไมไม่ไ ม, ไม่ไม่สิ้นหลงในปัจจุบันนี้เลยอะวิธีที่จะอสิ้นหลงในปัจจุบันต้องอยังไงก็ไม่ทำเลยตอนนี้มันเหมือนกับหมอเนี่ยเนี่ยภูเขาพญานาคอะไรเงี้ยแล้วก็หมอตกเขาอย่างเงี้ยแล้วพยายามที่จะ ก็เห็นว่ารู้ต <Grace> ัวด้วยรู้ตัวด้วยรู้ตัวอยู่ว่าตกเขาคือครับมีตัวเราที่หลงอยู่มีตัวเราที่ยังไม่บรรลุนิพพานอยู่เราก็กําลังจะช่วยตัวเราให้บรรลุนิพพานแล้วก็ในความรู้สึกก็มีตัวเราที่หลงอยู่มีตัวเราที่ตกเขาอยู่มีตัวเราที่ยังไม่บรรลุนิพพานมีตัวเราที่ยังเป็นทุกข์อยู่มีตัวเราที่ยังไม่พ้นทุกข์ เราพยามช่วยตัวเราขึ้นมาจากที่ตกตกภูเขาให้ขึ้นนปบนภูเขาอยู่เรากลังช่วยตัวเราอยู่ตอนนี้เราเข้าใจหมดแล้วแต่เรากาลังอยู่ระหว่างเราช่วยตัวเราอยู่ตอนนี้เราเข้าใจหมดแล้วแต่อยู่ระหว่างเราเนี่ยกาลังช่วยตัวเราอยู่ให้ตัวเราเนี่ยขึ้นยอดเขาได้ผ่านหมอติดอยู่ตรงเนี้ยวนอยู่ตรงเนี้ยแต่ตรงเนี้ยถ้าไม่มีปัญญาเข้าใจขั้นสูงสุดกว่านี้จะติดอยู่ตรงเนี้ยเล่นอยู่ตรงนี้เลย ตัวเราจะไม่ยังไม่พ้นทุกตัวเรายังไม่ถึงที่สุดตัวเรายังไม่บริสุิ์ผานตัวเราเข้าใจหมดแล้วที่อาจารย์สอนเข้าใจหมดแล้วแต่ตัวผมเนี่ยตัวเราเนี่ยกำลังหาวนทางอยู่ต้องกำลังดิ้นรนช่วยตัวเองไม่ให้ตกเขาไม่ให้ลงไปไปเป็นสังขารกําลังช่วยตัวเองไม่ให้เป็นวิสังขารช่วยตัวเองไม่ให้เป็นสังขารช่วยตัวเองให้หลุดออกจากสังขารมาเป็นวิสังขารผมก็เข้าใจอยู่แล้วผมก็กำลังช่วยเพราะว่าเห็นกําลังไต่ขึ้นไต่ลงไต่ขึ้นไต่ลงพอตกลงไปก็กาลังไต่ไต่ขึ้น ถ้าอย่างเงี้ยมก็จะทำอยา่อย่างนี้นะทำเหมือนนักไต่เขาอะยังไม่เลอกไต่เขาอยู่นะมันก็คือที่หมอพูดเมื่อกี้เนี่ยไอ้คำพูดนั้นใช่เลยที่บอกว่าทางมีอยู่แต่ไม่มีผู้เดินทางนิพพานไม่อยู่ไม่มีผู้ถึงนิพพานไม่มีตัวตนของผู้ถึงนิพพานนิพพานไม่อยู่ตัวตนของผู้ถึงนิพพานไม่มีทางคืออริยวัตรมีอยู่แต่ไม่มีผู้เดินทาง ไม่มีตัวตนของผู้เดินทางเราจะเป็นอย่างจริงอย่างนั้นได้อย่างไรในปัจจุบันตรงนี้เส้นจะแดงผ่าแปดเลยปัญญาขั้นสูงสุดจริงๆไม่มีตัวอื่นช่วยเลยปัญญาจริงเลยขั้นสูงสุดติเข้าใจมันด้วยใจไม่มีอะไรจะต้องทาไม่มีอะไรจะต้องทำอีกเลยไม่มีใครตกเขาไม่มีใครไม่ถึง และไม่มีใครถึงไม่มีใครจะถึงไม่มีใครตกเขาไม่มีใครยังไม่ทุกข์และไม่มีใครจะต้องช่วยตัวใครให้ไปให้ไปพ้นทุกข์มันจบลงในปัจจุบันเพราะไม่มีตัวใครไม่ถึงอะไรและไม่มีตัวใครจะไปถึงอะไรมีแต่ปัจจุบันที่สิ้นความรู้สึกมีตัวเราสิ้นความรู้สึกว่ามีตัวเรา แม้แต่มีความคิดความรู้สึกว่าเราถึงเราไม่ถึงเราจะต้องพยายามช่วยตัวเราถึงู้วแต่เห็นว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งทั้งนั้นมันถึงปรุงได้อย่าหลงเล่นกับสังขารปุงแต่งหลงเอาสังขารปรุงแต่งมาเป็นตัวเราที่แท้จริงบนใจปรุงรู้สึกว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราที่ไม่ถึงหรือถึงยังไง ก็มันก็เป็นเพียงแค่สังขารปรุงแต่งในปัจจุบันปัจจุบันจริงๆเลยปัจจุบันนปัจจุบันจริงๆมันก็ปุกเปนความรู้สึกว่าเรายังไม่ถึงเราจะต้องเอาเราให้ถึงตัวเราจะต้องถึงแล้วตัวเราใกล้จะถึงแล้วตัวเรารู้แจ้งแล้วเราอีกทีเดียวเราก็จะรูแจ้งเราก็จะพ้นละความคิดความความนึงความรู้สึกอย่างนี้ทั้งหมดเป็นสังขารปรุงแต่งทั้งหมดให้เห็นว่าในปัจจุบันนั้นเป็นสังขารปรุงแต่งในปัจจุบันจริงเป็นสังขารจริงๆไม่มีใครไปคล้องแหวนมาเลย ไม่มีใครต้องไปจัดการอะไรกับมันมันคงเป็นสังขารอยู่โดยอิสระธรรมชาติเสรีของมันไม่มีใครไปครองไว้กับมันเพราะเราไม่มีตัวตนของเราไม่มีความเป็นตัวตนของเราอยู่จริงไม่มีมีแต่ใจที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพันณสันฐานใดๆตัวตนไม่มีไม่มีอะไรเลย มีแต่ความรู้ว่าสิ้นความยึดมั่นถือมัน่นสิ้นผู้หลงสิ้นความรู้สึกว่ามีตัวตนไปยึดมั่นถือมั่นอะไรรู้แต่เพียงแค่นี้ว่าสิ้นความมีตัวตนไปยึดมั่นถือมั่นอะไรสิ้นความหลงยึดมั่นถือมัน่นทุกอย่างมีหมดสังขารก็มีอยู่ทุกขณะปัจจุบนันจิตสังขากรกายสังขารรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในภายนอก ก็ยังมีอยู่ทุกขณะปัจจุบันสังขารกายร่างกายก็คงมีอยู่ในปัจจุบันสังขารจิตหรือจิตอสังขารก็มีอยู่ในปัจจุบันใจที่ว่างเปล่าจากทุกข์ก็มีอยู่ในปัจป จ, ปจุบันแต่ไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวเราที่ไปเป็นสังขารหรือตัวเราที่ไปเป็นตัววิสังขารมันมีแต่ความสิน้นความยึดมั่นถือมั่น แล้วก็มีแต่สังขารที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารที่ดับไปในปัจจุบัน <Cape> แล้วก็ใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่นั้นเองแต่ไม่ว่าตัวเราสิ้นความยึดมั่นถือมั่นไม่มีความรู้สึ ก, กว่าตัวเราสิ้นความยึด ม, มั่นมีแต่ใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นใจก็ไม่มีตัวใจมีแต่รู้ว่าแค่นั้นเองรู้ว่าปับันนี้สิ้นความยึดมั่นถือมั่นสิ้นพยายามทําอะไรให้เป็นอะไร สิ้นพยายามจะทำอะไรให้เป็นอะไรมีแต่ปัจจุบันปัจจุบันเป็นอย่างไรก็คงเป็นไปจริงตามนั้นเลยเรียกว่าซื่อๆซื่อๆไม่มีพยายามไปรู้ซื่อๆมันเป็นซื่อๆตรงไปตรงมาอย่างนั้นเลยอย่างที่มันเป็นแล้วไม่มีใครไปทำอะไรกับมันส่วนใจนั้นเงียบสงบว่างเปล่าไม่กระเพื่อมไม่ไหวติ่งใดๆเลย ส, สิ่งใดที่ไหวติงก็เป็นเรื่องของไหวติงและไม่มีใครมามีความรู้สึกว่ามายึดตัวใจไว้เพราะใจไม่มีตัวตนให้ยึดใจเป็นเพียงแค่งเงียบสงบไม่ไหวติงใดๆและไม่มีใครมายึดใจให้มันเงียบให้มันนิ่งให้มันสงบมันมีแต่ความเงียบความนิ่งความสงบอยู่ในใจและไม่มีใครมายึดใจที่นิ่งเงียบสงบนั้นและไม่มีใครไปยึดถือสังขารที่ปรุงแต่งในปัจจุบันนั้น ธรรมชาติมันเลยมีอยู่อย่างเนี้ยคู่กันใจที่เงียบที่สงบที่ว่างเปล่ากับสังขารที่ปรุงอยู่ในปัจจุบันไม่มีใครพยายามไปดูรู้ละปล่อยวางอะไรไม่มีใครพยายามไปทำอะไรและไม่มีใครยึดถือทั้งสังขารและไม่มีใครยึดถือทั้งวิสังขารคงให้เป็นธรรมชาติสองสิ่งอยู่คู่กันอย่างนั้นเนี่ยจนกว่าจะตายเมื่อไรสิ้นอายุ ข, ขยสิ้นอายุ ข, ขย สังขารกายสังขารจิตและสังขารทั้งมวลก็ดับลงเแต่ใจที่สิ้นสังขารสิ้นความจิตมั่นถือมัน่นที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นอมาตะาธาตุอยู่ตลอดไปต้องทําความเข้าใจตรงนี้ให้ดีเราสะเก็ให้ดีนะหมอไม่งั้นจะลงไปเป็นตัวพยายามมันเหมือนกับเป็นอย่างเป็นนักไต่เขาขึ้นขลงลลื่นขึ้นลื่นลงลื่นขึ้นลื่นลงแย่นั้นเนี่ยมันยังเหนื่อยอยู่